ปั น, นี้พวกเราคงได้ข้าพเจราไปอีกแล้วไปในพานแล้วมโมปูคันตีวัยแปดสิบเอ็ดปีเป็นข้าพเจ้าดุสิตสายจังหวัดเลยนี่ก็ไม่สบายมานานแล้ว ข้างนอกข้างนากเอาเรื่องฝนตกต้องระวังระวังทางลื่นอ่ะดีบรรยากาศ ด, ดวีวันนี้อ่นี่ข่าวพระนี่ข่าวแรกข่าวที่สองลมผัดลม วัทนทนัดลมทัดลมทัดน้ำเรื่องที่สองก็คือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของพวแจ้งอธิษฐานที่อินโดนีเซีย ที่ไปปฏิญาฐานคาที่แล้วมีพรบรมสลรีริธาตอธิธาตุอธาธาของตาอธิธานของลูกบวชน์ไปไว้สองที่ประโกเรอีกวัดหนึ่งที่ไปไว้บนดอย อยู่ๆพระธาตุของปูหายไปหมดเลยใส่ไว้ดีๆมาใ น, นตู้ลักกุญแจอย่างดียวคนดูแลเจ้าของมรดกเปิดดูตกใจร้องไห้เสียใจเรื่องหนึ่งก็คือกังวลว่า เขาจะไม่เชื่อตัวเองกูอ่ะเตยก็เอาไปคนเดียวเดี๋วไปไว้ที่อื่นตั้งนานวันนี้เขากลับไปที่วัดทัทง้งๆไปไม่มีพระนะพระโขภูเขาเปิดดูอีกทีท่านเสด็จกลับมาแล้วแล้วับมาเยอะโอเกล ร้องไห้อีกผมเป็นไปได้ยังไงไม่เคยเป็นยิ่งพวกต่างชาติด้วยปฏิหารหลวงปู่หลวงปู่แหวนเองได้ลวงตา น, นได้หายว่าก่ตอนนี้เขดีใจกันมากก็พากันไปปฏิบัติธรรมบนนั้นบนที่ที่ หลวงพ่อพาเขาปฏิบัติเจ็ดวันเจ็ดคืนวันละหกชั่วโมงเคยรอยฝนก็ฝนตกพาร้องอย่างนี้นบนลอยอากาศหนาวหนาวกว่าก่อนมาหวกวันวันที่เจ็ดก็ในสชินี่คือปฏิหารของอุบายการมันอธิบายไม่ได้ ช่วงที่หายไปอาจเป็นไปได้ว่าไม่มีใครเอาใจใส่เพราะความที่มันห่างไกลใส่กรอนล็อกข้างในในส่ใ ส, ส, ส, สกรอนลมแรงไม่ต้องออกไปข้างนอกอาจลมลมแรง ลองกรอนมาได้ถึงสภาวะที่บรรยากาศอย่างนี้นึกถึงอุบาอาจารย์ของพวกเราเอาอย่างเช่นปูแหวนเป็นต้นก่อนที่จะมา เชียงใหม่ท่านก็ไปฝึกหัดปฏิบัติโดอยอุบลราชธา น, นีอยู่ขับลุงปู่มั่นลวงปู้ใหญ่แล้วก็เดินทางมาเชียงใหมย่ยค้โฮของท่านคือหลวงปู่ตื่อไปถึงเมืองลาวประเทศลาว ผู้เราลองนึกภาพเหมือนบรรยากาศตอนนี้ถ้าใครไม่เคยไปทุ ด, ดงเคยออกไม่รู้นึกภาพไม่ออกสมัยรุ่งพ่อไปพมา่าก็บรรยากาศอย่างนี้แต่มันไม่เหมือนกันบรรยากาศอย่างนี้แต่ถ้ำกลางป่าภูเขา จะนอนก็ไม่ได้จะนั่งก็ไม่ได้แต่การกดก็ไม่ได้เราดูสภาพที่เป็นไงเจวลอมอมห่มก็ไม่ได้ถ้าเจวานอมห่มมันก็เปียกหมดเจวาก็อาศัยไว้ในบาดตัวเองก็กอดบาดนั่งหลับนกไปนั้นแหละทําการผลอันนี้คือสภาพ ที่แท้จริงต้นไม้ต้นใหญ่ก็อยู่ไม่ได้แก้วอยู่ต้นใหญ่กับผ้าผาก็อยู่สภาพไปไหนครั้งหนึ่งที่อุบลสภาพอย่างนี้เลยอยู่ฝ่ายช้าตอนนั้นบนไม่กี่พรรษา ปรกฏว่าที่อยู่ที่หนัง่งลุมฝังศพที่ตายเอาเขาเรียกว่าตายท้องกลมฝังแล้วก็เอาไม้มาโปกใบยังไม่แห้งยังบานๆเลยแต่าพข้างบนก็อย่างนี้กดกลางไม่ได้ ม้งกางไม่ได้อ้าห่มไม่ได้ฝนตกฟ้าร้องลมแรงโชคดีที่ไม่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะว่าทำไมถึงไม่อยู่ต้นไม้ใหญ่เพราะว่าฟ้าผ่าลงมากิ่งหักโคนลงมาดีไม่ได้นั่งใต้ต้นมไม้ได้งั้นไม่เหลือแล้วคงไม่ได้มานั่งพูดอย่างนี้ทีนี้พอฝนตก่างนี้ น้ำมันก็จึ่งไปหมดข้างล่างก็อจู่่ะย้า ย, ยกอ็อยู่จมปวกพออยู่จำปวกสิงสารร า, าศร์ก็กระยานหนีเหมือนกันยายน้ําท่วมเหมือนกันสลบวิชาตากรรมเดียวกันจะนอนก็นไม่ได้นี่ความลําบากมันหนาวจนไม่หนาวอ่ะมันหนาวจนไม่ความหนาว ความลำบากของครูบาอาจารย์แรกเริ่มเดิมทีตอนฝนไม่ตกจินตนาการสงสัยจะเสบแม่นาคภาคนนงมากไปคนนั่งนั่งจะดีไปเอ๊ะทำมือยาวๆยืนออกมาทำไงานอูั้งปรุงแต่งอะไรนั่งคนเดียว จะดูสภาพแต่ก็สู้กับความกลัวความกลัวของมนุษย์เนี่ยถ้ามันกลัวจนในส่วนมันกล้ากลัวเสร็จแล้วมันเกิดความกล้ามันก็แปลงคือมันได้ปัญญา ไ, ได้สติสุดท้ายกลับมาหาตัวเองเพราะว่าลักษณะอย่างนี้หลายครั้ง ที่อยู่ภายชาแล้วก็มีความกลัวกลัวมากไม่ใช่กลัวธรรมาดากลัวจนเกิดความกลา้าก็กลายคนที่ว่าให้คิดว่าตออัวเองเป็นพระนะเอาแต่เขาแต่ละไม่มีตัวไม่มี ต, มมตนะเราเป็นพระมีศีลมีธรรมเป็นที่พึ่งเรากลับไปกลัวของนี้มันได้สติขึ้นมาในขณะที่ได้สติขึ้นมาผลพระมันก็ไม่ประณีตเอน ลืมความกลัวผีลืมไม่น่ว่าขนลวงไปไอ้เจฝนสัน่นนานฟ้าบึบ่บบึ่บบึ่บเนี่ยกรูบาอาจารย์แต่และองค์ ông, แต่และท่านอย่ากลงผูวแหวนเราเช่นเดียวกันจะดูสวยต่อไปประเทศลาวสภาพเป็นยังไงเดิน จากภาอีสานขึ้นเหนือสภาพเป็นยังไงเมื่ก่อนเราไปคารวะใครไม่รู้ใครไปดูปุถุเก่าทองปูรู้เปล่าที่ห้ยน้าเล่นก็วัดเราลงไปบูรณอาไว้ของนกปูแหวนนกปูชอบที่ห้น้ำเล่นเมื่อก่อนมันเหลือแตสังกื้อ ค, ม, คมสมสมวัดเราก็ไปบูรณาไว้ หลวงปู่อยู่ตัวนั้นนี่ใครสนใจสมัยก่อนที่เขาเขียนไรพระวรรค์มา108ต่อมา108เรเปลี่ยนหลวงปู่พิเศษยังอยู่สลวงอะไรหลังจากนั้นถึงย้ายไปอยู่ในฝังยุค2508เป็นยุคลุนๆภูไกยานหลวงปู่พิเศษหลวงปู่คับอหลวงปู่อะไรแต่อุปสรรค เป็นเป็นปลายของ็ลงปูกแล้วได้ไว้แปดสิบกว่าแล้วเป็นไปสบายอยู่แม่แทงก็ไม่สบายไม่สบายมากๆก็ไปอยู่ด้าน้ปังดานไม้ปังก็ไม่สบายเป็นโรคคันไม่มียกมียาคันถึงขนาดเราต้องย่างกัน ก่อองคุนก็บมันคันมันอยู่ต้องเอาไฟนั่นแหละเอาความร้อนสู้มันอ็โอพยในห้งก็จิงเรียกกุฏิแนละ้วกุฏิย่างเกเลตกลางๆไม่ใช่กุฏิปัจจุบันเราเข้าแันยีหัวมือเคยต้นใสใหญ่ๆนี่คือกูบาอ า, าจารย์ฝังกูบาอาจารย์เล่าปฏิปทา ในวัยแปดสิบป่าโบรุพาวมาอยู่ตัปีสองพ่ร้ยสิบเจ็ดน่เป็นแน่นอยแต่ลงปูวัยชราแล้วในวัยชรามากแล้วแต่ก็ยังเดินเหนินได้จนสุดท้ายก็ล้มอนันนหนักสโพกก็มราภาพลงในวัยเก้าสิบ็ดเก้าสิบแปดปี ปู่ของเราบาอาจารย์เล่าให้ฟังรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นที่เป็นอุปถาหลวงปู่เป็นพระที่ไน่เทศที้กันมาเป็นคําพูดที่เสียเป็นธรรมะธรรมโมธรรมมาอะไรพวกนี้ี่เป็นเทศไม่ใช่เทศถึงจะรลกใครนี้ไม่มีปูไม่ดุไม่ด่าไม่เก่าเหมือนหลวงปู่ซิมเราไม่หยาบคายนิดนึ่ อวลาที่ปูนั่งสบาธิ ป, ปู่จะไปให้ไปขวางทางเข้าทางออกเขาบอกเป็นทางเดินเขาทางไปเขาซึ่งเราก็บอกไม่เห็นทางเขาคืออะไรเข้ามาประทับมุมปู่เราเป็นนอนหน้ากติ้นั่งขวา ง, วางประตูขวางอะไรไม่ได้แสดงว่าเ ท, ดดทวดาเขากขอรบ คนมีสินเขาก็ไม่กลา้าหลวงปู่ห้ามพอดึกๆหลวงปู่หลวงปู่ก็ออกไปเที่ยวสองไปเที่ยวของท่านก็คือกายยังอยู่แต่จิตไม่อยู่ความไปที่ยวหลวงปู่อภิว า, อาจจอปอัศจรรย์ของหลวงปู่เราออมากระพูดสั้นๆไม่กี่ประโยคไม่กี่คํา ถือเป็นรพูดที่มีค่ามากถือกระพูดที่มีความหมายหลายองค์ที่เทศน้อยพูดน้อยแต่หลวงดุล น, นวันทั้งวันก็แทบไม่พูดเลยในหลังปู ด, ดุลปูสามปูสามไม่เคยไปอยู่แต่ลวงู่ดุลไไปพักอาศัยนี่ก็ไม่เทพ ต้เป็นภาพผู้ใหญ่เป็นรุ่นใหญ่ต้องบอกว่ารุ่นใหญ่ส่วนคอมพูเตอร์นเป็นนักเทศนักพูดอยู่แล้วอันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างสั้นๆว่าวาจารสมัยเก่าว่าวันนี้ในบรรยากาศลักษณะอย่างนี้เมื่อสามสิบสิบปีก่อนสภาพเป็นอย่างนี้ ทมอยู่ไม่เจอหลวงที่ไปสร้างโบสถ์นั่นก็เช่นเดียวกันทั้งคืนเป็นหมอกหนาวเจวอนไม่เคยแห้งสักเริ่มไม่เคยแห้งก็ดูสภาพใจมันจะแห้งยังไงแล้วครูบาาจารย์อยู่ยังไงข้าวปลาอาหารก็ปกติธรรมชาติเข้าอยู่ยังไงก็อยู่อย่างไงกินยังไงกินอย่างนั้น เลือกไม่ได้กินมากกินน้อยลบคปวเท้เป็นตัวอย่างนีนเรื่องการอยู่การกินการฉันลรคปวเท้นี่ก็จะนับคําข้าวเวลาฉันตอนที่ฉันเยอะๆมันประมาณกี่คําประมาณกี่ช้อนสามสิบี่สบกสิบมันอยู่ได้ก็ลดปริมาณลงเรื่อยๆลดปริมาณลงโ ด, ดยเินจเหลือสิบกว่า ตัวห้าหกคำบางวันร้อยสิบห้าคำยืนพื้นก็อยู่ได้เป็นอย่างเราองค์ได้อดสองเดือนสามเดือนถึงขนาดนั้นดูประเทศล้วบอกทำไมถึงมาลดลงลดลงบอกว่าเสียเวลาก็เสียเวลาในการปฏิบัติดูที่ครูบาอาจารย์ แค่นั่งกินข้าวอื่นๆนั่นบอเสียเวลาเอาเวลาไปปฏิบัติกำหนดเมื่อเอาเวลาไปกินน้ําชากาฟแฟหรืออื่นๆยกเว้นทําเกดวัดขอวัดทําเกตวัดข้อวัดทุกวันไม่เป็นเป็นเรื่องจะต้องถามเพราะครูบาอาจารย์สอนเรื่องเกตวัดข้อวัดไไม่ได้อย่างเช่นลพบุราผู้เจ้าก็ ขณะได้ไวเชล า, าแล้วเราปัดกอดจะถูถูเมื่อ ก, ก, ก, ก่อนใ น, นกรลามาพ้าวนะเราจะขอแย่งจากท่านไปไม่ได้ท่านก็จะดูเอาท่านก็บอกผมเอาบุญบางที่ผมก็อยากได้บุญท่านอยากได้บุญท่านกระทาของท่านจากคนต่างธรรมนะครับผู้าอาจารย์เราก็หวังดีเห็นว่าผมต้องทาก็ไดนะ้ไม่ได้ โปลาเป็นองค์หนึ่งที่รวมความอดทนโวล่าถ้าเป็นโรค ป, ประจําตัวคือเป็นโรคไส้เลื่อนมันไม่ใช่ไส้เลื่อนธรรมดานเวลาลงเปน็นระบาดเวลามันลงเนี่เดินไม่ได้เดินมปสามสี่ก้าวลงทนก็นจะนั่งลงก่อนเพื่อดึงให้มันเข้าที่แล้วก็ใส่ดึงกระเทยเสยกเดินต่อ ขนาดนักนก็ยังลงผู้ชก็เป็นภูเขาที่มันไม่สูงมากแต่มันก็ชันอยู่ภูเขาเตื่อๆชันๆแต่ฉันก็ยังบินาบา ท, ทุกวันขนาดนั้นดูสิครูบาอาจารย์ขึ้นชั้นทำวัดก่อนที่จะส่งน้ำก็เดินจงกรมในว้ขนาดนั้นเึง เดินมากเดินน้อยไม่เป็นไรแต่าก็เดินทําให้ดูเสร็จแล้วก็ส่งน้าพอส่งน้ําท่านก็จะให้พระอา ก, การตกระที่เพิ่งมาอยู่เป็นหลักแล้ว น, น, นั้นก็เวียนกันไมใ่ใครก็ได้คนหนึ่งเป็นหลักเดี๋ยพระคตกระมีเวลาน้อยอท่านก็จะดูบสถ์ให้ดูตรงที่ใส่เหลือนท่านก็จะจับเจ้าโลกเอาไว้น้วพูดยามนะ ไอสวดที่ยืดออกไปนะโอโ้ยังกระแตงกลัาดูที่มันทรมานหนใดไส้มันลงไปท่านก็บอกว่านี่แหละก่อนทุกนี่คืก่อนทุกได้แท้จริงทุกเป็นอย่างนี้ก็เพระอรจันเนี่ยมันถึงเป็นที่มาของทุกถ้ามันไม่เจ้านี้มันคงจะไม่ทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายมันคงไม่ทุกต้นเหตุของทุกเกือกนี้ นันก็ไม่ยอมผาไม่ยอมรักษาถ้าบอกว่าโลกกำ ร, รักษายัางไงมันก็ไม่หายมาหายจากนี้ไปมันก็เป็นอย่างอื่นหายจะอื่นก็เป็นอย่างนี้เพราะนั่นห้ใช้กรำท่านบอกว่าใช้กรำตรุโฟล่าเป็นคนที่จิตเร็วเร็วมากถ้าเร็วธรรมดาเราคิดคิดคิดหยุดดีแค่คิ ด, ค ด, คดในใจนะมันก็จะสวนออกมา ไปเรื่อยไปมากจะจำมากอันนี่คือขวาาการเพราะฉะนั้นอยู่ตอนหน้าเนี่ยไม่กล้าคิดต้องรู้นอกทาำมีสติการนอนก็พุโทโธหรืออย่างไรอย่างหนึ่งปีสติแม่เด็ทันอยู่เฉียวเฉียวอยู่ไปวิถวกวิการขร้าลาอาหารไม่ได้ว่าอันนั้นอร่อยอันนี้ไม่อร่อยท่าสัตว์เอาเลย เขาไม่ได้บอกว่าเป็นใครเช่นอยู่ๆชันเข้าอย่างนี้ท่านก็หยุดชันหน้าทางอื่นบอกว่าอันไหนที่มันไม่อร่อยเพทูลกาวถวายพระนิพพานซาซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครแต่รู้ว่าโดนแล้วนนี่คือครูบาอาจารย์แต่ท่านไม่ระ บ, บุไม่เจาะจงนี่ความอัศจรรย์ของครูบาอาจารย์เพราะนั้นพวกเราที่ ทำจะเยงจะแจ่ลบากเราขนาดที่รม่มาเยอโอ้ด๋อยด๋อยมา่เทียบกับครูบาจารย์เดินจากนี่มานี่ยลุงปู่เทศนไวนวัยพรรษาที่11บเดเดินมาเชียงใหม่ลุงขิดดูลุงปู่ขาวก่อนที่จะจมิดทำลุงปูพรมก็แล่เที่ยว ก, กันที่ได้ทำลงปู่ิีมเราก็ที่ไม่ก่อยแค่เราไปไ ป, ไปมามาเนี่ ที่ทำไปบูราเอาไว้ออเส้นผ่าเนื้อเนี่ยมันเป็นแหล่งของครูบาอาจารย์เขาไหนดอยไหน ย, ยท่านไม่ไปไม่มีบูรแวเนยะถ้าท่านสุขภาพร่างกายทีคงไม่อยู่ให้เราเห็นคนคงไปเรื่อยๆกันดูเราถึงว่าโชคดีที่ได้พบในป่าได้เจอร่องรอยครูบาอาจารย์ เป็นพ้นน้ำตาของชีวิตวันนี้ที่เขาส่งข่าวมาว่าพระธาศุที่เอาไปที่เหลือนิดเดียวแต่ใ น, นเสด็จกลับแล้วแต่หมายยัาคนลุกหรือปิติน้ำตาจะไห ล, ลก็ครูบาอาจารย์แต่ก็ยังดีอย่างน้อยที่สุดก็คือให้ชาวตางชาติเอเห็นมันเป็นไปได้ยังไง กุญแจประตูล็อกหดใส่ผ้าอบข้างในกระจกอีกท่านออกไปได้ยังไงไปหมดเลยตอนหายไปเลยหากับเยอะกว่าเกาอีกจนมนเป็นไปได้ยังไงแต่ของปูน่นีรู้ดงเอของแท้แท่ว่าวีาต้นหัว ร, ร่อนจากองคารตอนที่ทำ จัดงานให้หลวงพอ่อหนูพินอายุห0สิจัดงานมันเกิดได้ท่านเป็นเจ้าภาพถ้าพวกเราจำได้ก็ฉลองกันที่วัดเรานี่แหละเมื่อตอนท่านอายุหกสิบตอนนี้เจ็สกว่าแล้วสิกว่าปีแล้วเราได้มาก็ไปร่อนที่วัดเรามีเพาะจานาที่คือของแท้ก็ได้จากกุฏิท่านน่ะได้กุฏิหลวงพ่อหนู อันนี้เป็นประจำพยานไม่เห็นว่าคนที่สําหรับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็สามารถที่จะสัมพันได้กับสิ่งเหล่านี้มันจะมองให้เห็นครูาบาอาจารย์โอ้สมัยก่อนอเราบางท่านไม่ห้องสอนสมัยเก่าสมัยก่อนก็ไปอยู่มาแล้วเอาให้ถือโอกาสเล่าบรรยากาศยังนี่ห น, า น, น, าน้าเรา อยู่ในถ้ำสองเดือนสภาพาย่านี้นาําเป็นหมีหลังถ้าเป็นหมีหนาทำหมูลิงพวกห่างแต่ไป็นลิงกับห่างไม่เข้ากันไอสองแกงไม่เข้ากันเจียวเจียวเจียวเจีย ว, ย ว, ย ว, ยวน้ำมันก็นไหลออกมาจากถ้าทำไมถ้ำนี่ยาวยาวมากเคยคลานเข้าไปคลานสอง ขันเข้าไปมดเข้าไปมุดดาวเข้าไปไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งอาจจะหลายกิโลนแต่ว่าก่อนที่จะไปทําสัญญักษเอาไว้ทําสัญลักษณ์เอาไว้ญญาาไวบางที่รูมันนิดเดียวแล้วฝนตกเนี่ยถ้ามันซรายอดุด ก, กับไม่ได้ละแล้วก็ทําสัญลักษณ์เอาไว้วางวางวางเาไว้ไปใช้ใช่ไม่ได้ ดับเทียนดับเข้าไปในถ้าเข้าไปลึกก็อยู่ทําหนึ่สองเดือนอีกถ้ำหนึ่งก็อยู่ในถ้าเหมือนกันอั น, นิคารเข้าไปคานเพื่อไปนั่งข้างในมันเป็นเรืเข้าไปเรือ้าไปซึ่งไม่รู้ว่าข้างในมัใครอยู่บ้างนะเพื่อนๆอยู่ในนั้นหรือเปล่าเขาไม่รู้ มันลึกยึขนาดว่าฝนตกอย่างนี้ไม่รู้เรื่องเลยขางนอกไม่รู้เรื่องพอออกมาเห็นอหาฝ น, นตกฝนตกอย่างแรงแต่อยู่ข้างหนไม่รู้เรื่อยแต่อากาศน้อยมากอากาศข้างในน้อยอากาศเบาเราก็ค่อยหายใจให้มันชินหายใจให้มันชินกับอากาศเบาเบอกมากเดี๋ยวว่าภาราดี ดับไปเลยเท่านั้นเราไปรู้เรื่องประตกพระรองมันก็ดับไปเลยขึ้นไปมือจะเป็นหน้าผาหน้าผาก็คือเป็นถ้ำเป็นบ้านสุดท้ายติดกับชายแดนพมาก็าน่ากลัวเงี้ใกล้เข้าภาษาเราให้ฟังว่าผมไม่เคยเล่าให้ฟังแต่บิดในหนังสือหนังสือก็ไม่ได้ละเอียด เราอยากให้บรรยากาศอย่างนี้ที่มันเล่าให้กเราฟังเพื่ขันกำลังใจครูอาจารย์รุ่นเก่ารุ่นแกสมัยก่อนก็ได้อยู่เฉยเฉยว่าจะเป็นผู้เป็นคนเป็นครูบาอาจารย์ตรจสอบทดลองทุ่งใหญ่ในสวนก็ไม่เคยเล่าใครฟังเป็นยังไงสภาพ ถ้าเรานึงไม่ออกก็ทุก อ, อย่างในสูนเรื่หัวขาดแข็งมาติดอุทัยทุกอย่างส่วนเขตหลายจังหวัดพื้นที่หลายจังหวัดคือถ้าหลงก็คือเรือแต่บาทดับดาวหาใครแล้วไม่กี่ปีก่อนที่เป็นขาวเสือตะป บ, บปะเสือไมโลอ่ อ, อน ไม่รู้คนเดินข้างหน้าก็ไม่รู้เพื่อนอยู่ข้างหลัง่ะหายไปไหนก็ไม่รู้อันนี้ห่วขาแข่งสมัยนี้น ะ, มะไม่ทช่สมัยยุคหลว่าเดินสมัยนี้เสือมันตะโพกข้างหลังหายไปเลยแล้วพวกเสือมันควเจะเหี่ยวเป็นรูกอาจารย์นะครับท่านเดินเข้าเดินออกประจำชานาญแล้วก็พาเพื่อนไปเพื่อนนำหน้า มันก็ฉลาดคนหน้าไม่เอาเอาคนข้างหลังมันคงจะจ้องเล้วองแหละก็มณภาพไม่หลอดมณภาวะเขาไปาหายไปนะักตามไปเจออ้าวถูกหกหายไปแล้วโดนตะปมบมนภาวะแต่มันได้เป็นข่าวใหญ่โตเพราะว่าห้วยขาแข้งไปเกีห้ามห้ามคนเข้าคนเดินคนป่า ทุกวันนี้ใครจะไปต้องขออนุญาตธรรมสืออนุญาตโลกทพี่ต้นหลายปีแล้วก็เคยเราไปเดินรอยเก่าขอลวงพ่อดูแล้วถามหลวพี่ต้นนีบยุบนี่แล้วรู้จักกันไม่มีแต่ทางเดินลักษณะอย่างนี้แตว่ญญาอากายังกรอยจางนี้เลย เราพเอเราฟังพืกอเป็นขวัญกำลังแจงหรือนนยังไม่เราถึงประมาณสภาพบรรยากาศดีๆวางไงวังค่อยๆฟังที่เาไฟังก็นึกว่าวันนี้ก็าส่งข่าวที่อินโดนีเซียว่าที่แรกก็เป็นทุกข์เป็นร้อนกังวลตอนนี้ดีใจที่ใจจะทําให้ถูกแล้วทำอะไรม่ถูกกว่าเรากลับมาแล้ว พาการเข้าไปภาวนาวบนดอยตัวเนี้ยซึ่งขนาดไม่มีพระนะไม่มีครูาจาการยาก็ยังพากันทำเกาเอา พ, พอๆไปพาทำเดินเดินนั่งสวดมนต์ไม่ไหวก็สวดมนต์แล้ก็เดินเดินนั่งอยู่อย่างนี้เ็เปอดเวลาไปอยากให้รู้ว่ากลับไปอีกแต่มันก็ไม่มีเวลาปีละครั้งก็ยันดี ขยันในบนไปสักเจ็ดวันสิบวันแต่ก็ดีถือว่าได้ไ ป, ดประโยชน์กลับมาที่ในเมืองตัวเมืองก่อนที่จะกลับเราก็มาฟังเทศน์เยอะหลายร้อยต้องบอกว่าหลายร้อยก็มีช่วงหนึ่งที่ฝากเขาเอาไว้ในเรื่องของสินสภาธิปัญญา พอกขาพูดง่ า, งงายๆพูดสั้นๆเขาไปต่อยอดเองนนที่ ม, มันมะม่วงมันอร่อยก็ถามว่ามะม่วงเลยปลูกที่นี่ใช่ไหมพันอะไรก็พูดธรรมดาเขถามว่ามะม่วงต้นนี้กี่ปีถึงจะใช้กินได้เขางงบอกอย่างน้อยสีห้าปีอืม ดูเหมือนธรรมดาก็าบอกเขาว่าเราจะมองเรื่องนี้ให้เป็นธรรมะได้อย่างไรที่เราก็ถามไม่ใช่ว่าไม่รู้มะม่วงคืออะไรใช้เวลาตัออ้งไหนแต่ถามเพื่อยืนยันว่ามะม่วงต้นหนึ่งกว่าจะออกดอกออกผลได้มันใช้เวลาอย่างน้อยสีห้าปีแต่พวกเรานั่งสมาธิหลับตาแป๊บหนึง10บนาทีสิบ้าหรครึ่งชั่วโมง อยากได้นั่นอยากนนอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่มันเป็นไปได้อย่างไงมันเป็นไปไม่ได้มอม่วงสี่ห้าปีก็จะเห็นผลเรามาดูนั่งนั่งกี่ชั่วโมงนั่งกี่นาทีแล้วอยากได้ผลของมันแล้วอ่ะนั่งพขอยากได้ลองบังคับเนียม่วงปูกลบเนี่ยเอาโตโตโตโตเร็วก็เลยอยากกินแล้วเนี่ล Lions, ลย มันได้ไหมมันไม่ได้มันต้องเป็นไปตามขั้นตอนธรรมชาติของมันอันนี้คือมันสอนเราเรว่าธรรมะเพราะฉะนั้นพวกเราควรพูดกันแต่นี้เป็นต้นไปขอพวกเราทุกคนบุกต้นอะไรก็ได้ตั้งแต่วันนี้ถ้าหลวกพ่กลับมาอีกทีผมวงพ่อก็จะถามว่า ต้นไม้ที่สั่งเอาไว้น่ยปลูกหรือยังตอนนี้มันโตไปถึงไหนแล้วเอาดอกออกผลหรือยังกินได้หรือยังปรากฏว่าว่าทั้งเดือนที่แล้วเขาส่งข่าวมาคนหนึ่งบอกว่าต้นไม้ที่หลงพ่อฝาปลูกตอนนี้เขาปลูกเลยเหาะไม่ทราบว่าปลูกยังไง ก็กลับไปทีคราวที่แล้วพราผมมาตอนบ่ายแล้วแ้ ม, มีขนมก็ยื่นให้เขาเป็นเรื่องที่น่ายินดีออกมาน่ยนี่สอนคนโดยการกระทาไม่ต้องมากเขาบอกว่าเขาเขาไม่กินเขาถือศีลแปดยันโยพักกลับมาอีกทีเขาบอกว่าต้นไม้ที่เร า, าสั่งเอาไวนะ้น่ะ ตอนนี้เขาปลูกได้แล้วเห็นไหมปลูกติดแล้วแต่ยังไม่ได้เอาเออกผลเห็นไหมเขาเข้าใจอุบมาอุบมานะเขาเข้าใจแสดงว่าได้ผลทุกคําพูดเขาจําแล้วก็นําไปออกปฏิบัติจริงๆเพราะฉะนั้นเจวันเจ็ดคืนมันได้ผ ล, ล, ออปปผลสําหรับเขาทุกคนยังไม่เคยเห็นไหม แ ล, แล้วพวกเราแต่ก็ขอนมันนาสิ่ที่แล้วมีพวกเราน่าจะบอกวาศิกาเนะพชรพออ่นานมาถึงแล้วเราพูดเรื่องเพชรมีวาสิกาเพชรวาสกาเพชรอยู่ตลอดคืนซึ่คนนะรวมๆแล้วก็ี๋ย ว, ว่าใช้ได้็กนการสร้างสมบัติ ถืว่าใชได้เลยยืนเดินนั่งวันเดียวเองคืนเดียวเองพอนอนมาทั้งชีวิตแล้วยืนเดินมทั้งชีวิตแล้วถือว่าได้อ่านใองครู้อาจารย์ของพวกเราควจะมาขนาดนี้ไม่ธรรมดาบางท่านบางองค์เดินเดินเดินตั้งแต่หกโมงเถึงเที่ยงคืนเดินเดือดขาเปนเดินเดือดเข่าอ่อน พอเดินเสร็จ่ะไปนั่งจิตมันจะลงใน้ ง, งานมันเร็วว่ากายมันอ่อนจิตมันก็อ่อนเร็วพอจิตมันลงก็ลงลึกพอจิตมันลงมันก็มีกําลังมันจะมีพลังงานมีพลังเรื่อยๆอะไรเ ป, เปสัมเสียนร่างกายมันก็ไม่ได้เหนื่อยมากถ้าจิตมันมีกําลังเพราะนั้นเราแยกออกเลยว่า กำลังกายกับกําลังจิตมันแตกต่างกั น, นสิ่นเชิงมันสอนให้รู้ว่ากําลังของกายนะถ้ากายจะมีกําลังได้มันจะต้องเคลื่อนไหวไปมาอย่างที่เราเรียกว่าออกกําลังออกกําลังกายมันจะต้องมีกําลังมีมพร ะ, ะมีกาลังอยู่เฉยๆกินๆนอนๆมันไม่มีกําลัง ถ้าใครเราบันเริลองนอนเล่ น, เ, ลนเดี๋ยวขาก็รีบถ้าขาก็รีบหมดสภาพแล้วเป็นดูคนป่วยไม่ขยับแข้งขานอนชันเขา่าจนนีน่ขยับไม่ได้แล้วเนี้ขาก็ตึงเส้นก็ตึงก็จะอยู่อย่างนั้นร่างกายก็จะอ่อนลงอ่อนลงมันอันตรายตรงนี้การมันก็จะอ่อนลงคือไม่มีแรงเมื่อกายไม่บันเรงจะไปต้านทานอะไรได้ อันนี้เรื่องของกายนะอ e ันที่เราถือว่าออกกำลังกายอันนี้เป็นเรื่องของกายส่วนเรื่องของจิตมันตรงกันข้ามเรื่องกายเราต้องขึ้นไหวไปมาถึงจะมีกําลังแต่จิตมันตรงกันข้ามถ้าจิตมันเคลื่อนไหวไปมาเพราะสั่นรัคามันไม่มีทางที่จะมีกาลังได้จิตมันจะเป็นกําลังได้มันต้องนิ่งมันต้องหยุดซึ่งตรงข้ามกับกาย ก็คือจิตสงบนั่นเองแต่จิตไม่สงบไม่มีทานที่จะเป็นกำลังมีพลังขึ้นมาได้นี่นี่คือข้อแตกตา่างวันธรรมานั่งแล้วจิตไม่สงบกระบอกไม่จําเป็นต้องจิตไม่สงบจําเป็นมันคุณลักษณะหรือสมรรถะกับวิปัสสนาหรือปัญญามันคุณลักษณะเหมือนร่างกายของคนเราเนี่ยถ้าไม่นอนเลยเกิดอะไรขึ้นกลางวันก็ไม่นอนกลางคืนก็ไม่นอน แต่ไม่นอนตองต้องมีสตินะร่างการมันจะเป็นยังไงเพราฉันไม่นอนก็จริงแต่ท่านพักพักหลายพักทั้งจิตท่านพักแป๊บเดียวมันก็สดชื่นแล้วจิตมันอยู่ข้างในแป๊บเด็กออกมามันก็สดชื่นแล้วไม่ได้แปลว่าท่านไม่หลับไม่นอนอนี่ความหมายไม่แปลว่าไม่ให้นอนเลยคือจิตไม่พักเลยไม่ใช่จิตท่านเป็นสมธาสมธิตามสมาธิได้ง่ายก็ถอนออกมา ขอละหมาดคือรับรู้ภาษะข้างนอกเช่นตอนนี้ฟ้าตกฟ้าร้ก็รับรู้ข้างนอกเมื่อจิตมันอยู่ข้างในมันไม่รับรู้ของคุณมันแยกกายแยกจิตคือไม่รู้ภาษาข้างนอก อ, อันนี้คือสภาวะของจิตจริงเมื่อรู้ทางกายเสร็จมันเกิดภาษาคือเย็นร้อนอ่อนแข็งที่มันกระทบเรียวภาษะมันจะเกิดเวทนา สาเหตุเดียกันเกิดทีนานเพราะอันนี้เพราะว่เจ็บเราเอาไปรับภายนอกนะเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าตรงนี้แหละถ้าเราไม่ฝึกสติเนะืเวทนาจะบีบคั้นเราทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออุเปกขาเวทนามันจะทําหน้าที่ของมันแล้วเราก็เป็นโมหะคือหลง หลงไปตามสุขะทุกขะรูปเป็ขะนั้นๆแม้แต่รูปเปขะคือวางอารมณ์ได้ก็ยังถือว่าไม่ผลแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีดีกว่าที่ไปอยู่กับสุขะหรือทุกขะเรื่องขอเวทนาซึ่งเป็นตัวที่สองของขันห้าก็คือรูปแล้วก็เวทนานะรูปในเรารู้รู้หมายว่ารูปหยาบๆยาเนี่ยมมรู้แต่รูปละเอียดไม่รู้ มันมีรูปในรูปมันมีกายในกายซ้อนกันอยู่เนี่ยเรานึกไปเอากเรานึกถึงฝันเราฝันเป็นเรื่องเป็นราวเปว็ปรปรนรูปเปนร่างนั่นเราียกว่ากายในกา ย, ย ก, ากายละเอียดบางบ่ ก, กายทิพย์เพราะฉะนั้นชีวิตเราหลังความตายมันก็เป็นอย่างนั้นมันกายกายละเอียดอ น, นั้นมันเกิดจากสัญญารูปเวทนามาสวย เวทนาคือสุขเวทนาทุกขเวทนาพอเวท น, นาเสร็จทำไมมันรู้ตัวนี้เป็นสุขทำไมรู้เป็นทุกขทำไมรู้ตัวนี้เฉยเฉสัญญามาทำหน้าที่รูปเวทนาสัญญาตัวที่สา่ะสัญญามาทำความจำได้หมายรู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมามันชอบเกิดเรื่องออกมาไม่ชอบเกิดเรื่องมาเฉยเฉแต่เราไม่มีสติควบคุมกำกับดูแล ตลอดเวลาทุกเรื่องมันก็กลายเป็นโมหะถ้าเป็นสมาธิเป็นโมหะสมาธนะิแม้แต่สมาธิก็ไม่ใช่ประกอบดนะีถ้าสมาธินั้นไม่มีสติคือไม่รับรู้อะไรมันก็เป็นโมหะสมาธิมันเป็นสมาธิเหมือนกันแล้เป็นโมหะอันนี้ตัวสัญญาจําได้ไหมดูมันไม่ได้รู้เฉยๆแรู้เสร็จแล้วมันก็ขยายความต่อเดี๋ยวสังขาร เราไปตนาดสัญญายสังขารมันเอาไปปรุงต่อเออเธอศพเป็นยังไงทุกเป็นยังไงเฉยๆเป็นไปกันใหญ่แนละ้วไปปรุงเมื่อนั้นก็ปรุงเข้าไปอาหารเอาพริกเอาเกลือเอาอะไรลงไปใส่ผสมปนเปกันลงไปจิตตะสังขารเป็นอย่างไ้เราก็ไปผสมรองกับมันนั่นชอบไม่ชอบเฉยๆปรุงกันอย่างไรทั้งวันออกจกัดนกไป เรือ่องนี้ อ, อกก๋อแค่เรองนี้เนี้ยเนี้เาเรียกว่าเกิดดับกระดับสิ่งหลาเรื่องเาเรียกว่าเกิดดับเกิดดับกระดับแต่เราไม่รู้รู้มันจะเกิดยังง ร, รู้มันดับยังไงมันทำหน้าที่ขมันอันนี้คือสังขารวิญญาณสิ่งที่เรากระทบจุดที่มันสัมผัสเส้นตาเห็นรูปอยงก็เกิดด้วยความรู้ว่ามันก็เป็นหน้าที่ของมันตาหรืมตาตอนต้องเห็นเห็นแล้วก็รู้จุดเรียกว่าวิญญาณรู้ทางไหนก็เรียกทางนั้น รู้ทางหรียสตเวียญาณรู้ทางๆจกักรกูเวีย ญ, ญ, ญาณเป็นตน้นก็เรียกประก า, านั้นแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับตาไม่เกี่ยวเสียงแต่ที่เปนเกี่ยวใจมโนเวีย ญ, ญาณคือใจอันนี้คือลำดับขั้นตอนชีวิตของพวกเรากระบวนการชีวิตของเราของการเกิดขึ้นตั้งอยู่และไปของสันะ้นห้าอัน ของธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมเห็นไหมพออยู่ในกายเราเราไม่รู้ว่าน้ําเป็นยังไงพออยู่ในกายเราไม่รู้ลมเป็นยังไงอยู่ในกายเราไม่รู้ว่าไฟเป็นยังไทงทางทั้งสี่ดินน้ําไฟลมมันก็อยู่ในตัวเราเนี่ยรวมอยู่ตัวเราแต่ทุกคนก็มีเหมือนกันหมดแต่เราไม่เห็นว่าโมหะมังกรงามันหลง ที่มันแตกดับก็ธาตุสี่ขันธานียคือธาตุทั้งสี่มันแตกแต่ตัวที่มันไม่แตกดับคือจิตคือกายนะี่ยคือดินน้ำไฟลมเนะี่ยมันก็แตกสลายไปตามอย่างที่เราพูดว่าปูขันท์ตีท่านก็ไปแล้วคําว่าไปก็คือธาตุขันคือดินน้ําไฟลมมันอยู่ไม่ได้ มันแรงไปมันน้อยไปบบาไปมากไปไฟมากไปลมมากไปดินมากไปน้ำมากไปไ ม, กไม่สมม่สดุลเช่นไฟมากไปก็เป็นไข้น้ำมากไปที่แตกที่เตือนอ้วกลมนอกไปก็อาเจียนอย่างนี้เป็นตน้นนี่คือความไม่สมดุลสุดท้ายมันก็อยู่ ไ, ได้ ธาตุที่คือดินน้ำไฟลมัมนช่วยไม่ได้ก ต, ตัวปลาสุดท้ายคือลมไปก่อนนัคือลมแต่ว่าเราเรียกอะดินน้ำไฟลมเรือตัวสุดท้ายแต่เอาเข้าจริงจริงเวลามันไปมันก็ค่อยออกเมื่อลมมันหมดคือลมเข้าลมออกของเราเราหมดแต่คนที่กําหนดลมไม่ได้กําหนดลมไม่เป็นเมื่อลมมันหมดเสแล้วทุกอย่างมันก็จะ ออกแลกกับน้ําน้ำมันก็จะออกมันมีรูตัวไหนมันก็จะออกตรวนั้นเนีน่เราพิจารณาอย่างนี้ไฟที่อยู่ร่างกายอย่างตัวอุ่นๆตัวน้อนไฟก็จะได้ค่อยๆเย็นบ้าปงพราะนคนตายถึงเย็นเพราะไม่มีไฟเย็นมันก็อยู่ในตัวเย็นยินนะ้ำไฟลงไฟก็ดับจะเรือวัดดับพระนบูชาใช้คํำนี้ คำว่าดับเนี่ยเอามาใช้เพื่อให้เราเข้าใจจุไรวัลนิพพานะนิพพานะแปลว่าเย็นแปลว่าดับแต่คอนดับของท่านหมาถึงกิเลสบรรดับมันไม่สามารถจะเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถจะเป็นไฟไม่สาารถเป็นฟื้นได้แล้วมันดับมันเย็นมันเกิดไม่ได้แล้วมันเป็นอะไรคือวันนิพพานะคือดับกว่อนนานั้นก็เกิดก่อนมันเกิดเกิดแล้วก็ดับ เพราะนั้นสิ่งที่เรจะต้องพิจารณาคือการเกิดดับเนี่ยเกิดดับกิดับเห็นก็เห็นการเกิดดับทุกอย่างก็จะเป็นเรื่องคําพูดควาคิดควาคิดมันเกิดยังไงมันดับยังไงกระบวนการเป็นอย่างนี้แม้แต่ชีวิตของเราเช่นเกิดแก่เจ็บตายอันนี้เ็นือเกิดก็คือเรื่องเขาเกิดตายคือดับสุดท้ายก็ต้องดับคือเกิดแล้วก็ต้องดับเกิดดับเกิดดับว่าจะเป็นอารมณ์หรือความคิด ทสที่เราปรุงแต่งก็ตามกระบวนการของมันแต่คนที่ไม่ปฏิบัติคิดอย่างนี้ไม่ได้คิดไม่ออกเอตไม่ออกเรื่องไม่ออกเพราะไปตามกระบวนการของมันแล้วมาทําหน้าที่เกิดรูปมิถนาสัญญางการวิญญาณเขาก็อยู่เขาอย่างนี้ทุกวันกระบวนการเขาเป็นอย่างนี้แต่เราไม่เอกนะคำว่าเราคือจิตไม่เห็นก็คือไม่สติมีสติน้อย เพราะฉะนั้นใช้จริงเพื่อให้เรามีือท่านก็ใช้คําว่าวิปัสนาคือเห็นแจ้งเห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงที่เรียกว่าวิปัสนาที่เราปฏิบัติวิปัสนาวิปัสนาก็เห็นรูปโผล่บนนี้แล้วแต่เห็นก็ไม่ใช่เห็นใครเห็นตัวเองไม่ใช่เห็นคนอื่นเห็นคนอื่นไม่มีประโยชน์อะไรเห็นตัวเองนะเห็นการเกิดกันดับเห็นทาสีกันหน้ากันตัวเองเห็นความดีความไม่ดีกันเองเห็นความ คิดปรุงแต่งกับตัวเองนะแล้วควบคุมได้ให้มันดาวได้อยู่กับศาสนาคำว่ามีวาสนาแต่ว่ามันน้อยคนจะจะเห็นสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงสุดท้ายก็ลงมไปปรุงไปแต่งไม่จบไม่สิ้นแต่ว่าวันหนึ่งนั้นเมื่อธาตุคือรูปอะานรูปอบบนี้ดีน้พระรามคือรูปรูปอบบนี้มันอยู่ไม่ได้ อีกสตัวเวทนาที่ราชการยิตวิญญาณมันเกาะไม่ได้มันไม่มีที่ตั้งมันไม่มีที่อยู่เพราะมันต้องอาศัยรูปอยู่อีกสตัวเนี่ยถ้าไม่รูปมันก็อยู่ไมได้แต่มันก็จะอยู่กับรูปละเอียดเห็นไหมเวลาเรานอนหลับเนี่ยทำน้าที่ร่างกายไม่ทําที่ตาไม่ทำหน้าที่โอหไม่ทําที่ปากมือแขนขาได้เราทำเหลือแต่ลมตอนนั้นอื่นๆทำหน้าที่ไม่ได้แล้วทาไมออกมาเป็นรูปเป็นร่ดง ว่าจิตมันอาศัยรูปที่มันยึดเอาไว้นั่นแหละมันจํามันปรุงเอกไปต่อทีนี้ถ้าจําดีคงไม่เป็นไรถ้าจําไม่ดีนี่เกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ฝึกไม่สามารถจะควบคุมได้มันก็ไปตามนั่นนะมันก็จะไหลไปตามรูปที่มันเห็นที่มันรู้ น, นี้อันตรายถ้าจิตยังยึดในติดในรูปนั้งอยู่เนี่ย ถ้าเจ็เป็นสมาธิมีสมาธิรู้ตัวเรียกว่ามีองค์ฌานฌานหนึ่ง 1, 2, 3, 4, รูปฌานอรูปฌานก็ปไปดีหน่อยไม่ไปอาบายคือั้ยกลับมาเป็นอาบายอย่างอื่นแล้วก็ไปสูงสูง ข, ขึ้นแต่ว่าสูงสูงก็แค่ครับผมไปถึงแค่ผมคือผมเขาไม่มีเพศที่ไม่มีเพศเพราะว่ า, วาพูดง่ายๆเขาก็ไม่ได้เสพกาม ไม่ได้ใช้การอย่างเราเขาจึงไม่ต้องมีเพจไว้เพื่อเสพการคือไม่มีเพศจีิงไม่มีเพศใช้โดยสภาวะของเขาถึงต่างกับคนที่ใช้หรือว่าเสพอยู่จะเป็นต้องมีเช่นมนุษย์สิ้นสานะมันจะต้องมีถ้าไม่มีไม่ได้คว้เาเอาไว้เสพแต่พร้มไม่มีเขาก็ไปต่อตอ น, น้นสุทาวาสก็ดีือไปต่อสิริพานได้ เราคนที่ยังไปไม่ถึงตัวนั้นน่ะจิดยังไปไปไหนไปไหนยต้องระวังติดมันยึดรูปละเอียดตัวเอาไว้น่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่พเราเราไปเอาเขาไปถึงฝันแล้วกันแต่ว่าในขระดาษที่ฝันมันไม่มีสตินะเราไม่มีสติเราไม่รู้น่าอะไรคือตัวโมหะนคือตัวอวิชชามันก็ไปต่อเข้ามันในกองฝันเราเคยรู้เราเคยนับว่าเวลานี้ขี่โม ฝันกี่ชั่วโมงไม่มีในความรู้สึกของเราในขณะที่เรานอนหลับแล้วฝันแล้วก็ตื่นเหมือนแป๊บเดียวนั่นคืออีกมิติหนึง่งเวลาของเขาหลือแป๊บเดียวแต่เป็นคืนจะแปดชั่วโมงแต่หมดแป๊บเดียวนะเหมือนเรานั่งสมาธิถ้าจิต ม, มันลงจริงๆริงหรแป๊บเดียวตื่นขึ้นมามนกี่ชั่วโมงแล้วนะนี่นคือสภาวะของจิตสภาพของจิต เวลาคนได้ฝึกหัดปฏิบัติแล้วเพราะฉะนั้นฝึกสิ่งเหล่านี้ให้ประจําทําให้ได้ก่อนแล้วทําให้เป็นประจำมันันนึกจะเข้าจะออกมาว่าจะให้มันเกิดขึ้นหรือออกออกมากว่ามารับรู้ข้างนอกคือจิตมารับรู้ข้างนอกมันเปิดประาว่าทําไมพบอื่นเขาไปิผ่านไมได้เพราะว่ามันเ ไ, ได้จิตที่เป็นปัจจุบัน มัจจิตที่เป็นสติสัมปชัญญะครอบมันไม่เวทนาปรากฏอย่างพวกเราพ อ, อ, อแข็งไม้ไปขเขากเสวยอย่างเดียวมันเหมือนพวกเราพวเราเยืนด้านอ่อนแข็งสุขทุกข์รู้หมดแต่อรู้เีย้รู้ด้ยคนไม่มีสติเพราะเสียงมันมันไม่มีสตินั้นที่เรามุ่งการฝึกปฏิบัติหัดกายวาจาของตัวเองด้วยการยืนเดินนั่ง หรือไม่นอนนอนแต่ว่าโค้ให้ไม่เสติอย่างน้อยตัวก่อนหลับก่อนนอนคว้ไมีสติยรเพิ่งดีมากกว่าก่อนที่จะหลั บ, น, ลบนอนก็กํหาหนดอาจจะเป็นไหว้พระสั้นๆอา่านสมาสวากรโตสุขเติ๋ยโนท่องไปเรื่อยๆโดยจะเอาพุโทโธธรมโอสังโฆก็ได้ให้หลับไปกับสิ่งเหล่านี้พก็ยังดีกว่าหลับแล้วมันเพื่อเจอแล้วไหลไราสาระอะไรก็ไม่รู้มันจะไม่ฝันร้ายถ้านกะ็หลับไปเข้ากับ ระรัตนัยคือพุทธโมสังรูนั่นเองเพราะอะไรเพราะว่าถ้าใครไม่มีรัตนตัยอยู่ในจิตดุสภาวะอับายเป็นที่ไปต้องระวังแต่ถ้าเราหลับไปหรือว่าตายไปอย่าลืกนึกถึงคุณของผู้เจ้าประธรรมพะริยโส์อย่เนี่ยไปดีรู้สุขเถไปดีแ น, น่นอนผมไม่เป็นสัตว์ดิาชานไม่เป็นก็อบายอะไรไปอย่างอื่นเพนราะอมสติครบ รูตัวเนี่ยคือข้แตก ต, กต่างตัวตคนตายยังไม่มีสติทุรนทุรายเพราะเวทนาเดียดขันจาอะไรไม่ได้หรือน้อนนนคือกลัวกลัวเป็หมดทุกอย่างอันนี้อันตรายถ้าจิตคอามใครเป็นอย่างนี้อันตรายดูอันตรายมากๆกราณ์ให้นึกถึงศีลานุสตินึกถึงศีลบ้างจะหันเสร็จนึกถึงการบริจาค เป็นตนหรือบุษรานรือติธรรมหรือสังฆติธรรมอะรต่าเทวดานุสติให้เป็นประจังวันนั้นก่อนหลับก่อนนอนดีกว่าต้องแผ่เมตตาล้วก็นเนอคุณของผู้ผเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์คุณพ่อคุณแม่ถึงอยู่ก็ตามไม่อยู่ก็ตามเราเรือคือพวกคุณไม่เรือยู่ตัวองค์ท่านผู้มีพรกคุณทั้งหมดเราก็แผ่เมตตาคือแบ่งความดีที่เรามีอยู่ให้ เป็นการทานเป็นการจางคะเป็นการนึกถึงกันหนึ่งทําจิตแะให้จํานิสัยที่ด th ีดนิสัยที่รู้จักการให้นิสัยที่รู้จักการปล่อยออกคือสละนั่นเองไม่ใช่ยึดเอาไว้ถืออาไว้ทั้งหมดคนข้างนอกได้อะไรก็ยึดเอาไว้ถือเอาไว้คือการยึดถือปิฎิมารเขาโอปาทานเมื่ออิปาทานยึดถืออยู่ ภพชาติก็ยังมีอยู่ก็ยังมีพบอยู่คือมีการพบรูปพบอรูปพ บ, พบชาติคือเมื่อมีอยู่มันก็ชาติเกิดอาจจะต้องเป็นเกิดจะเกิดเป็นอะไรอีกเรื่องหนงนะึ่งนะนั้นการปฏิบัติเราสําคัญมากๆตัวให้เราอยู่ด้วยความมีสติเหานี้เนะี่เป็นเรื่องสําคัญส่วนดินฟ้าอากาศเป็นเรื่องทดสอบทดลองบานมาหมดแล้ว เรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดาเรื่องปกติเพียงแต่ว่าเราเนี่ยอย่าไปตากแดดตากฝนเหมือนตอนนี้เราอยู่ในศาลามันก็ปลอดภัยจิตของเราก็เหมือนกันถ้ามันอยู่ในตัวเรามันก็ปลอดภัยแต่ถ้าเอามันไปตากแดดตากฝนคือส่งจิตออกไปข้างนอกมันก็เปียกมันก็ร้อนเพาอยู่ข้างนอกมัน อ, อยู่นอกกาย มันไม่อยู่ในกายเพรั้นตอนนี้เราใครไม่เชื่อเราออกไปดูเราไปตากลงเปียกเพืนั้จิตของเราก็ะเมินกันถ้าส่งออกไปเนี่ยเดือดร้อนให้มันอยู่ข้างในอันนี้มันอยู่ในกายเวียกกายในกายในหลักกรรมฐานคือกายเวทนาจิตและกรรมมันเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันมันไม่ได้แยก ถ้าทํามันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้แยกว่านี้กายปิจนาจิตธรรมอันเดียวกันนั่นแหละมัทุกเรื่องของเรเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันไม่ได้หลายเรื่องเป็นั้นการฝึกหัดปฏิบัติกายวาจาของตัวเองตามลําดับขั้นตอนอดทนคติแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ทั้งเมื่อไหร่ก็อยากจะทํามันก็ไปได้ไปได้คือไม่ได้ผลเท่าที่ควรแต่ได้มันได้แน่นอน ส่วนได้มากได้น้อยอีกเเรื่อ ง, น ง, นงหนึ่งได้แน่อนแต่ว่าถ้าได้ผลจริงๆเนี่ยมันก็ได้เหมือนรูปว่าเพราะว่ามะม่วงหรือผลไม้พุกชนิดกว่าจะได้กิน่มันไม่ใช่วันสองวันบางชนิดมันมากกว่าห้าปีกว่าจะได้กินกว่าจะเห็นผลของมาันณฑุง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมัวแต่โอ้คุปตะเ้าผลเลยนั่งสมาธิสามวันห้าวันเจ็ดวันสามเดือน บอกไม่เห็นเป็นได้อะไรเลยเอาโอ๊ะสามเดือนแล้วคุณจะจะได้กินผลไม้เลยมันอะไรจะขนาดนั้นมันมีไม่ประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนในโลกเนี้มันไม่มีคะอันนี้คือธรรมชาติเพราะเราก็ไปผิดธรรมชาติเราใจร้อนใจเราอนกับธรรมชาติเพราะนนั้ใจเย็ น, นๆทําไปเรื่อยๆมากนอ้อยไม่เป็นไรขอให้มันคงขอให้ต่อเ น, นื่อง ไปเรื่อๆได้แน่นอนส่วนได้มากน้อยขนาดไหนตอบใครไม่ได้แล้วแต่เราจะรู้ตัวเองประจัดตังนั้นก็เป็นกาลังใจให้พวกเราทุกคนอย่าท้ออย่าถอยชีวิตเรามันไม่ได้มีมากนะหมายจะไม่ได้เล่าบางบาอาจารย์เจัดสิบกว่าไปแล้วแปดสิบกว่าไปแล้วนิดหน่อยบางคนไม่ถึงด้วสซ้ำไปมีรายที่เรามีอยู่ก็ไม่ได้เยอเลย ถ้าเรายังไม่เร่งวนไข้ยัประมาณกันอยู่เนี่ยไม่ได้อันตรายก็ฝากเราทุกคนวันนี้ที่เราพวกเราคงได้สาระได้คติได้คิดเนี่เอ่ยบุคคลเป็นต้นแบบต้นตาะแหน่คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราแต่และองค์แต่และรูปแต่และท่านท่านก็อยู่ยุยืนแต่และอง 7, 8, ค์70 80ขึ้นเท่านั้นที่เราเล่ากันมาเพราะว่าพลังของจิตของท่านเข้มแข็งฝึกปัญยาวนานและที่สาคัญคือ ไม่ได้ฝึกเพื่อชาตินี้เขอบอกแกหนึ่งอะไรถ้ารู้ว่าเาชาตินี้จะทำอยู่ยตั้งเก้าปีเ0้กว่าปีแต่ขอ้อเที่จริงมันไม่ใช่ย้อนหลังไปนะมันไม่มีใครรู้กว่าท่านสะสมบ่มบารมีมาขนาดไหนเราก็อยากให้เหมือนท่านนะมันไม่ได้เพราะว่าสะสมมาไม่เหมือนกันถ้ามาไม่เหมือนกันเราก็ต้องยอมรับเมื่อจะรับเสร็จแล้วเราต้องเพิ่ม สะสมบริเววันหนึ่งเราต้องได้เราต้องเป็นอย่างท่านแน่นอนขอขยันอย่าท้ออย่าถอย เ, อเป็นพลังใจของเราทุกคนในภาษาการในตั้งแต่นิ 7, 000, ดนึ่งเจันครั้งหนึงก็ไม่ได้เยอะเลยเลยทำเท่าที่พลังที่เราทําได้แต่สิ่งเรล่านี้จะเป็นพลัวะปัจจัยโน้นนําส่งให้พวกเราไปสู่พบภูมิที่ดีถ้าอย่างไม่หมดไม่สิน้นก็จะเป็นพวกสิ่อย่างน้อยที่สุดก็คือ กลับมาเป็นคนเป็นมนุษย์แต่ถ้าตำมาคนตำความวามนุษย์ในโอเวียเยเพราะอะไรเพราะว่าจะฝึกหัดปฏิบัติอะไรไม่ได้เลยสติปัญญาพัฒนาไม่ได้เลยแล้วมันจะเอียนทำได้อย่างไรนี่ก็ฝากรอทุกคนสําหรับภาษาอากาศนี้ก็ขออนุโมทนาในกุศลวิจารณ์ราทุกคนที่ได้เข้ามาเข้าวัดฝังธรรมจําสินภาวนาในภาษาอากาศนี้ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคน จะท้อจะถอยอ้ที่ัญคขอคให้เราทั้งหลายได้เจริญก้าวหน้าอยู่แบบโลกก็จะเจรินแบบโลกต้องทำก็จะเดินทางทำเหมือนคาที่ทกว ม, มาทั้งหมดทั้งมวลก็ข อ, อมาความดีบรรยากาศรรยากามาการาาพูดแสดงต่างวันนี้ก็ซุบกลอเกิเวลาก็วันนี้ก็อภัยไ ว, ว, ว้แค่นี้ก่อน